ตอนนั้นหละใจเป็นใหญ่มากเลยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากใจอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสวมสวดละทิจใจในตอนป่วยหนักนั่นแหละนะเราจะตระหนักว่าเนี่ยใจสําคัญเนี่ยหลายคนก็มาตระหนักว่ตอนนั้นแต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาเลยนะเวลาฝึกก็ทะเลทไลไยไม่เอาใจใส่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 มีปัญญาเห็นว่ากายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนั้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาขั้นสูงนะอย่างที่ภาษาริบุตรแนะนํานักกุลบิดาเนี่ยนักุลบิดาถามว่ากายป่วยใจไม่ป่วยทําอย่างไรนะภาษาริบุตรก็บอกว่าเนี่ยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็เพราะว่าไม่ได้มีความยึดมั่นสําคัญหมายว่ารูปเป็นของเรา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 ไม่ใช่มาปฏิบัติตอนนี้พอหลวงพอ่อปฏิบัติก็เลยจะไม่เอาละหลวงพ่อก็เลยไล่ให้ไปปฏิบัติต่อเดินจงกรมไปได้สักพักก็มาใหม่นะจะขอศึกลบเราจะศึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ให้ให้ไปปฏิบัติอีกนะไปได้ประเดี๋ยวเดียวนะมาอีกแล้วจะขอศึก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 ให้พระลงนัทไปไปปฏิบัติต่อท่านก็พระหม่ก็ไม่ค่อยพอใจนะแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อยืนกรานไม่สึกก็ต้องนะก็ต้องไปลนะไปปฏิบัติหรือไปเจ้าจุกก็ไม่ทราบตอนนั้นก็เย็นละเช้าตรู่เนี่ยพอหลวงพ่อพระลุนเห็นหลวงพ่อนะก็ตรงมาเลย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 ที่แรกเราก็คิดนะที่แรกเราใช้ความคิดแต่ไปๆปปมาๆนะความคิดมันใช้เรานะเราใช้ความคิดแก้ปัญหาอันนี้ดีอยู่แต่ว่าพอใช้ความคิดไปนานๆนะไอ้ความคิดมันใช้เรามันใช้เราให้ปรุงหรือให้ทำตามมันอันนี้น่ากลัวมากเลย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 มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแสนจะธรรมดาสา ม, มัญ น, นะเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถทําตามเสียงเรียกร้องของร่างกายที่ต้องการพักผ่อนได้เพราะอะไรเพราะความคิดบอกว่าอย่าพิ่งนอนอย่าพิ่งนอนอคิดก่อนคิดก่อนคิดเรื่อยอันนี้เรียกว่าความคิดมันใช้เราแล้วอ่ะ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 ผัวเขาอยู่ลำบากแล้วนะไม่มีหนูเนี่ยมีจะมีเหตุผลมากมายนะคราวนี้เพื่อว่าะจะขอสึกไปอยู่กับผัวจะข อ, อกลับบ้านไอ้ที่พูดเอาไว้เมื่อสองสวันก่อนว่าจะบวชตลอดชีวิตยังไงยังไงัวเดเดตีงขาดก็ไม่สึกเนี่ยนะลืมไปเลยนันเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะหลายคนนะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยจี๋ของคนร้อนอย่าไปเชื่อมันมากนะ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 อาชาติก็พูกันทันีนะครับ